วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าเดือน9ปีสีเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนพอดีวันนี้พรรษาสมเดือนพรรษาสมเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งพรรษาผ่านไปแล้วนี้เป็นเดือนที่หนึ่งให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ตั้งจิตสมาทานตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทําอะไร ข้าพเจ้าจะรักษาศีลหรือข้าพเจ้าจะให้ทานหรือข้าพเจ้าจะไหว้พระสวดมนต์ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทุกวันไม่ให้ขาดก็ขอให้พวกเรารักษาความสัต์จริงในใจของพวกเราเอาไว้อย่าให้มันขาดโดยที่ไม่จำเป็นขาดสัจจะไม่ใช่ของดีถ้าขาดไปเรื่อยๆไม่ใช่ของดีขาดวันนั้นขาดวันนี้เหมือนกับเสื้อผ้าขาดอย่างนั้น ขาดรู้นั้นขาดรู้นี้มันดีไหมไม่เป็นไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นให้รักษาให้อยู่ในสภาพถ้าเมื่อเรารักษาได้ดีแล้วเมื่อออกพรรษาแล้ว เ, เราก็มั่นใจเราก็ภาคภูมิใจในการที่พวกเรารักษาสัจจ์ของเราไว้ในใจของเราไม่ได้ขาดตกบกพร่อง เพราะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วเน่นเองเมื่อสัจจะของเราเต็มเปี่ยมแล้วพวกเราจะขอรางวัลคุณงามความดีของเราก็ได้ท่านเองผู้ฆ่าได้รักษาศีลตลอดรอดฟังตรอดไตรมาศสามเดือนข้าพาเจ้านั่งภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดตรอดไตรมาศสามเดือนข้าพาเจ้าไม่ได้ดื่มสุราตรอดไตรมาศสามเดือน ด้วยบุญกุศลที่เข้าไปเจ้าเลยตั้งไว้ดีแล้วนี้จงเป็นเครื่องเครื่อกุณหนุนขอให้ข้าไปเจ้าอย่าได้มีความทุกข์ยากลาบากอะไรเราตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่มันจะสมบัรุนกันเราก็จะได้สำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถน า, อาขอสำคัญอย่าไปค้ากำไรเกินควรเท่านั้น่ะ ถ้าค้ากําไรเกินคัวรวันไม่ได้นะ ไ, ไม่สําเร็จมันงั้นเถะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจรักษาสัจจะคือความจริงใจของตัวเองเอาไว้กับพร้อมกันก็ให้พยายามสั่งสมบูญกุศลอย่าได้ประมาทเกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาพบพระพุทธศาสนาให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําของเราในหลักเป็นหลัก อย่าไปเชื่ออย่างอื่นเชื่อดวงเชื่อดาวเชื่อเลือกงามยามดีสงายเรื่องลาสงราศีอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกแต่ตามไม่จริงเรื่องของพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เชื่อกลัมคือเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทําของพวกเราเนี่ยถ้าเราทําชั่วแล้วแต่เรากีเกียดขีค้านเราจะไปหวังผลเลิศเลิมก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะสอนให้บุก พวกเราเชื่อกรรมคือการกระทาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราทำชั่วแล้วจะด้ดีได้ยังไงถ้าเราทำดีแล้วมันก็ต้องดีเหตุและผลเหตุยังไงผลเป็นอย่างั้นถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีเหตุชั่วผลก็ชั่วเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธนะให้เน้นหนักในการกระทามันขยนันอดทนให้เก็บหอมรอมริบ เศรษฐกษิจอย่างนี้เราจะไปใช้ฟุมฟ่มเฟือยฟุ่มเฟือมมันก็ไม่ได้นะอ่ามันต้องรู้จักประหยัดใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองกระเป๋าของเรามีเท่าไรเราจะใช้มากน้อยอย่างไงแค่ไหนเราจะใช้อย่างไรถ้าไา่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปใช้ต่างคนก็ต่างประหยัดไว้หนาดีเพราะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหลายหลวงพ่อเองไม่สอนให้ขี้ตนีถีเหนียวนะ แต่ให้รู้จักประมาณตนอย่าไปใช้อะไรจนฟุ่มเฟือยจนเกินไปถ้าว่ามีหนี้มีสินพลุงพลังน่ไม่ดีนะขอให้พวกเราทุกทกคนนะนะั่นน่ะให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้หาให้เก็บได้ใช้ใช้ให้เป็นอย่าไปใช้อชดยูแชกอย่าขี้เกียจหาคำว่าหาคำนี้คือหาด้วยความสุดจริต สวนยางังกรีดยางบั ง, ง, บงทำสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ถึงไหนที่สอะแสวงหาทรัพย์ได้อย่าไปคดจะไปโกงเขาอย่าไปป่นจะไปจี้อยไปขโมยเขาอันนั้นไม่ดีทํามาแล้วก็ไม่ดีอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีลูกเก่าเล้าหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเห็นแล้วก็อดสูดดูได้ตํารวจไปจับเข้าโกงขงโกงขงังอ่ะอันนั้นไม่ดีอย่าไปทําผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายนะ่ะมันไม่ดี ถ้าว่าทำถูกต้องตามศีลธรรมแล้วทําไปเพื่อสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องพยายามพึ่งตนเองนั่นแหะอัตหิอัตโนนาโถตนแรเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็พร้อมกันก็สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าหาคนไม่มีบุญไม่มีกุศลเกิดมาพบหน้าชาติหน้าน่ะยากจนยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าหาคนขี้เกียจทําบุญทําทาน แต่ก็ต้องมีอะไรเราก็ทำตามอัตภาพอย่าให้ตนเองเกิดร้อนแต่ต้องทำนะต้องทำถ้าไม่ทำนะยิ่งทุกข์ยิ่งจนกว่า น, นี้อีกเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเห็นไหมพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราองค์หนึ่งท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วในชาตินี้นะแต่ท่านก็มีวิบากกรรมในอดีตชาติมาให้ผลเกิดมาพบนี้ชาตินี้เกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นคนขอทานเหงนกัน เป็นคนขอทานขอทานกินเป็นวันวันไปพระอานุ์เห็นท่านก็คงจะมองเห็นอุปนิสัยเก่านะั่นเออคนคนนี้ถึงเขาจะเป็นคนยากจนเป็นคนขอทานแต่อุปนิสัยเบื้องหลังของเขานะ่ยเขาเป็นผู้เป็นคนมีบุญอยู่แต่ว่ากรรมมาปิดบังเขาในชั่วขณะนี้แต่เมื่อเขาบวชแล้วเขาจะได้บําเพ็ญแล้วเขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านก็คงจะรู้ได้ ด้วยของท่านท่านพระอ น, นุนก็เลยบอกเอ้ยเราบวชจะไม่ดีหรืเอเราก็สมบูรณ์ทุกอย่างให้มาตั้งใจภาวนาในวัดวาศาสานาหน่อยบเพ็ญบุญกุศลซะทั้งที่ท่านคงจะมองเห็นบุปกรรมหรือว่าสิ่งที่ดีอยู่ในบุคคลคนนั้นอยูอย่พระอ น, นุ์คงจะไม่ใช่ว่าจะจับมล้อยงอยงมาบวชเหนคงจะ ดูแล้วก็คงจะมีหัวเฮงดีถ้าบวชเข้ามาแล้วก็คงจะดีเป็นคนดีท่านพระอนุนก็เป็นผู้ฉลาดอยู่แล้วนี่รอบรู้อยู่แล้วนี่เป็นพ่อหูสูตรอยู่แล้วนี่คงแก่เรียนอยู่แล้วทุกอย่างเต็มพร้อมหมดทุกอย่างแต่ในช่วงนั้นท่านก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่นะเป็นพระ อ, อริยะบุคคลขั้นต้นว่า ง, งั้นเถอะที่ท่านเห็นเนี่ยนายโลติกะนี่ เป็นผู้ขอทานกินเป็นวันวันแต่ว่ามีมีมง้ฮเฮงดีว่ากลักษณะอย่างนั้นน่ะพระอนุนก็เลยชักชวนให้บวชแต่แกโอ้ยผมบวชไม่ได้แล้วผมไม่รู้จะใครจะบวชให้ผมพระอนุนเอ้ยไม่เป็นไรตกลงบวชแล้วก็อยากจะบวชแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาให้บริขารจากนั้นท่านก็ยอมบวชอ่าพอยอมบวชตกลงว่าจะบวชก็เลยเข้ามาทาให้ถูกต้องตาม ทุกอย่างน่ยตามที่หลักของพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ตอนนี้พอบวชเสร็จแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเก่าพระอา น, นุ์ก็ดูหมดทุกอย่างเลยตั้งเสื้อทั้งผ้าทั้งอะไรไม่สามารถที่จะเอามาใช้แม้แต่ชิ้นเดียวงั้นเถอะจะเอามาทําเป็นผ้ากรองน้ําก็ไม่ได้เจะเามาซักมาทําให้เป็นผ้าเช็ดเท้าก็ยังไม่ได้มันหลุ่งหลิงไปหมดว่างั้นเถอะพอ เปลี่ยนผ้ากาศวพัดให้แล้วก็เอา้เอากระบอกเสือ้อผ้าเครื่องขอทานของเขานะ่ะไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไปพอบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็มีบริขารแปดแล้วเนี่ยมีบาทมีจีวรมีบริขารบริบูรณ์ละจากนั้นท่านพระ อ, อนั้นพระเป็นพระแล้วแต่นเนี่ยโรติกะเนี่ยก็เอาบริขารไปไว้ที่แห่งหนึ่งไว้ในมุมวัดแห่งหนึ่งเมือนั้นเออเอาไปทิ้งไว้นะ่ะไปพาดไม้ไว้เอาไปพาดไม้ไว้ มุมวัดแห่งหนึ่งฮะจากนั้นท่านก็บวชท่านก็บวชไปบินธาบาดมาฉันอ้วนท้วนสมบูรณ์เพรพอได้ทานอาหารที่เขาทำบุญทำทานจากนั้นพออยู่มาอยู่มาท่านอยากจะศึกษานี่มันใจมันแปลกเหมือนกันนะท่านอยากจะสึกอยากจะลาศิกขาทีนี้ท่านเอเอายัางไง ทำไมใจของเราจึงปั่นป่วนถึงขนาดนี้ทั้งที่เราจะอยู่ในพุทธศาสนามีความสุขเราก็สมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคปัจจัย4ี่แต่ใจของเรามันร้อนนั่นแหละเรื่องใจนเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญนะถ้าสมบูรณ์ขนาดไหนก็เถอดแต่ถ้าว่าใจมันปั่นป่วนมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใจนี่สาคัญเหมือนกันเถะถ้าว่าเบรกใจให้อยู่แล้วจะนิกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในร่มไม้ชายคาที่ถุกป่ารงพงไ์ไฟก็อยู่ได้ ถ้าว่าใจห้องเราปั่นป่วนแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยฉะนั้นท่านก็อยากจะศึกอยากจะสืกท่านก็ไปดูไปดูเสื้อผ้ากับเครื่องขอทานของท่า น, น่ะเอยคงจะเป็นกระลามา้อผ้าหรือเป็นหม้อเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเครื่องขอทานเหมือนนเนท่านไปเห็ น, นก็ทอนว่าโรติกะเธอเน่ยเป็นคนขอทานนี่เสื้อผ้าของแกอย่างนี้ แกจะแกจะไปอยู่อยู่เหรอแกจะไปลาสิกขาจะไปเอาเครื่องขอทานอย่างนี้ไปขวีกเหรอเธอจะไม่ละอายบ้างเหรออันนี้เธอเป็นพระแล้วนะทำไมเธอจึงคิดอย่างนี้ท่านก็ไปสอนนะมีความให้รีความละอายขึ้นมาแก่ใจเบรกตัวเองว่างั้นจิตใจก็อืออพ่องใสขึ้นมากลับมากลับมาแล้วกิอยู่มาอีกสองสามวันอีกมันปั่นปนขึ้นมาอีก ไปเอกไปดูเสื้อผ้าอันเก่านะี่ยนะพอไปเห็นเลยกัไปสอนตัวเองอีกในนั้นนะ่ะโลติกะเธอยังไม่ละอายแก่ใจบ้างเหนือถ้าเธอไปอย่างนี้เห็นไหมเสื้อผ้าขาดขาดลุงหลงเหลืงเลืงเนี่ยแล้วกัการกินอาหารของเธอก็อย่างที่ว่านะเดี๋ยวนี้บัดนี้เธอเป็นนักบวชเธอเป็นพระทำํำไมเธอจึงไม่สํารวมไม่ระวังไม่รักษาศีลภาวนาตามแนวแถวที่พระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านสอน ท่านมันน่าจะมีฮิริโอต ป, ปานะโรติกะสอนตัวเองจากนั้นก็กลับมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละแต่วันหนึ่งท่านก็บําเพ็ญทางด้านจิตใจเข้าทีนี่บาเพ็ญทาไมมันใจจึงปั่นป่วนมันออกไปจากใจทั้งหมดเนี่ยท่านก็ดูที่ใจปรับปรุงที่ใจแก้ไขที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าท่านจากนั้นท่านก็ชาระใจของท่านโลภโกรธหลงในหัวใจของท่านกระเด็นออกไปเลยทีน เป็นพระอรหันต์นะคือวิบากกรรมตัวนั้นเป็นวิบากวิบากในอดีตชาตินะจากนั้นท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วทันทีท่านก็ไม่ไปแตบัดนี้ไม่ไปหาเสื้อผ้าเก่าอย่งั้นแต่พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันก็กถามโลติกะเธอไม่ไปที่นั่นอีกหรือทําไมตะก่อนเนี่ยเธอไปบ่อยเหลือเกินเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปอย่างนั้นแต่บัดนี้ทำไมท่านท่านจึงไม่เที่ยวไปไม่เที่ยวไป พโลติกะก็บอกว่าประโยชน์ด้วยที่จะไปหาอาจารย์ผมไม่มีแล้วพอพราะนั้นผมหมดเรื่องที่จะไปหาอาจารย์อีกแล้วผมจะไม่ไปหาอาจารย์อีกแล้วหยุดนะรับแต่ีพระเหล่านั้นเขาก็่าวว่าการพูดอย่างนี้เพียงแค่นั้นนะเขาก็ว่าพระโลติกะนี่ อ, อวดอุตริมนุสธรรม ใครว่าถือถือว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งหมดแล้วหมดเยื่อใยในสรรพสัตว์สรรพโลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นอิสระเสรีอย่างเต็มที่แล้วลักษณะอย่างนั้นเนี่ยทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเรียกมาเรียกพระโ ล, โลติกะมา เ, ออเธอพูดอย่างนั้นจริงหรือจริงครับผมทําไมก็ผมหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะมีความเยื่อใยกับ อาจารย์อีกแล้วงั้นแต่ก่อนมันมันปั่นป่วนแต่วันนี้กระผมเอาชนะใจตัวนั้นได้แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยโลติกาท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะนั้นท่านจึงไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ของท่านอีกสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ความชั่วหรือว่าสิ่งที่การกระทําอย่างนั้นเป็นอาจารย์ของท่านการกระทําอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําไห้จิตใจของเราจึงชอบไปอย่างนั้น ทีนี้พอท่านไปนรู้ท่านพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านก็ไม่ไปอีกนั่นคือเป็นการกระทําอย่างนั้นหรือว่าเชื่อผ้าอย่างนั้นาการดํารงชีพตัวเองอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ดูดูแล้วไม่ไม่เหมาะสมแต่ทําไมใจของเราจึงชอบลงไปทางต่ําอย่างนั้นท่านก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของท่านนะท่านก็ถือว่าเป็นอาจารย์ อาจารย์สอนเหมือนั้นแต่สอนใจของท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าบุคคลใดก็ดีสามารถเบรกใจตัวเองได้ห้ามล้อถ้าเป็นรถก็ว่าห้ามล้อกำลังรถกําลังวิ่งห้ามห้ามจูได้นั่นแหละเป็นดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆกท่านนะอุบาสกอุบาสิกาสิ่งใดก็ดีถ้งว่าเราชอบใจเราชอบใจมาก แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่ถูกกฎรมเนียมประเพณีของโลกไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนทั่วๆไปไม่เป็นที่ยอมรับของวงสาคณาญาติสิ่งใดก็ตามเราต้องเบรกใจตัวเองไว้ถ้าการเบรกใจอย่างนั้นแล้วท่านว่าบุคคล น, นั้นหาได้ยากเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากเพราะนั้นพวกเราถึงจะ เป็นพระเป็นสงฆ์เป็นญาติเป็นโยมผู้เฒ่าผู้แก่อะไรก็ตามนะทั้งโมโหโทโสขึ้นมาอย่างแรงๆจะ ด, ดา่าลูกดา่าล้านแน่ๆด่าไปเพื่ออะไรด่าก็ไม่เกิดประโยชน์เอายดนิ่งไปซะบางทีก็เกิดประโยชน์นะถ้าว่านิ่งเฉยเมยเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะทำให้ลูกหลานเขาไม่ระเบียงระวังก็ต้องดุด่าว่ากาววบางสั่งสอนเขาบ้างแต่ทางว่าทําให้เขาเดือดร้อน ทั้งวีทั้งวันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคนแก่ชอบบ่นชอบจู้จี้จุกจิกอันนั้นก็เป็นทำให้ลูกหลานเขาลำคาญสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้พอดีพอเหมาะพอสมพอควรนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะที่ยกนิทานสาธกขึ้นมานี่ก็นี่แหละให้เบรกใจตัวเองให้ห้ามใจตัวเองในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพยายาม ปรับปรุงแก้ไขใจของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมให้เหยียบคันเร่งในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมให้เบรกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมให้หันพวงมาลัยใส่ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมนะพวกเราจะจะมีแต่ความสุขความเย็นใจน่ะนะถ้าหากว่ารเราอยู่เป็นวันๆอยู่มาโดยไม่คิดไม่อ่านโดยที่ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขาใใกายว่าใจาใจของเราแล้วมันก็อย่างเก่านะนะั่นแหะ ประกอบวารใจาใจของเราเนี่ยมันต้องปรับปรุงแก้ไขต้องพยายามทําให้ดีขึ้นเร่งความเพียรให้ดีขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาดูจิตดูใจของตนเองแต่ละวันวันนี้เราคิดเรื่องอะไรมันเป็นประโยชน์ไหมที่เราคิดเนี่ยหรือมันเป็นโทษต้องดูท่านภาวนาแล้วต้องดูใจได้ไม่ดูที่อื่นเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านสอนใจนี่มากกว่า รูปร่างกลางตัวมันเป็นมาอย่างไงมันก็เป็นมาอย่างนั้นนะเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติแต่วาจัยของเราเนี่ปรับปรุงแก้ไขไดเ้เหมือนกับคนเราทุกๆคนร่างกายเหมือนเหมือนกันหมดนะขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งแต่ใจของท่านเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันนี่พระอรหันก็เหมือนกับคนรูปร่างกลางตัวเหมือนคนทั้งหลายแต่ใจของท่านเป็นพระอรหัน เพราะพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องใจเป็นสําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าตอวให้สําคัญมนุษสะเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตเป็นผีมีแต่ความแก่งแย่งมีแต่ความมุทะลุมนุษสะเปโตมิติหิวโหยอยู่ตลอดมนุษสติรัชโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัติรชาน ทำตัวต่ำต้อยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักกาละเทศะเหมือนสัตว์ทิตชานัไม่ได้ว่ามนุษสัติ์ทิตชาโน่มนุษสัเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาสูงส่งรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งควรทําไม่ควรทําอันนี้ไปว่ามนุษสัเทโวมนุษย์สามนุษโศร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจก็เป็นมนุษย์ ทำถูกต้องตามทรรนองครองธรรมเคารพกฎระเบียบบ้านเมืองเอาเคารพกฎหมายเคารพศีลธรรมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อันนี้ว่ามนุษยสามนุษโซนมนุษย์ษยริโยนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพระอริยเจ้ามนุษยพพุธโธ ร, ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นอย่งงางนั้นพระพุทธองค์เน้นเรื่องใจเป็นสิ่งสําคัญ ใจเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะนั้นที่พวกเราท่านทางหลายนั่งสมาธิภาวนาคืออบรมใจคือคืออบรมหัวหน้าถ้าหัวหน้าดีแล้วการพูดก็ดีการกระทําก็ดีเป็นดีทั้งนั้นแหะถ้าแต่หัวหน้าเกเลคือใจของเราเกเลใจของเราไม่มีเหตุไม่มีผลจิตใจของเร า, เาขุนมัวจิตใจของเราไม่รู้จักไม่รู้เหตุไม่รู้ผลนี่ดันทุลังจิตใจของเรา ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ได้ไม่ใช่ประโยชน์แล้วกายวาจามันก็ออกไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละแต่ถ้าว่ามันตรงกันข้ามใจของเรามีเหตุมีผลใจของเราได้รับการอบรมด้วยศีลธรรมดีแล้วนะการพูดการแสดงออกกับคู่ขนทั้งหลายก็ร่มเย็นเป็นสุขนั่นนะท่านจึงเปรียบเทียบ ว, ว่าพระอริยเจ้าอยู่นะสถานที่ใด ที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมนพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมนะถ้าเราจะเปรียบเทียบให้มันต่ําลงไปก็ว่ากิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่วุ่นวายคงจะไม่ผิดว่างั้นเถอะเพราแต่นี่บาลีนี่ไม่มีว่างั้นเถอะแต่หลวงพ่ออินตั้งขึ้นไหมที่ใดสถานที่ใด พระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลที่นั่นแลเป็นที่รื่นรมนะอันนี้มีพระบาลีนะแต่ที่หลวงพ่อบอกว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ณสถานที่ใดผลประโยชน์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่วุ่นวายเพราะงั้นมันที่วุ่นวายจริงๆน่ยผลประโยชน์เข้าไปกลุ่มไหนอยู่ที่ไหนแย่งแก่งแย่งกันทั้งลาบทั้งยศแย่งสนเสริญกัน เออทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันก็แย่งกันโลกก็นี่มันโลกกิเลสนะแล้วก็วุ่นวายระบาดเลยฆ่ากันไม่รู้จักม่รเหตุไม่รู้จักผลระบาดเลยเออแต่ถ้าว่ามีเหตุผลเข้าไปมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าทุกคนมีเหตุมีผลทุกคนเคารพกติกาเขาทุกคนมีศีลธรรมประจํำกายวาจาใจแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะ แต่ถึงยังไงก็อย่าลืมนะพวกเรานะไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอ่าไม่ถึงร้อยปีนะต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเก่านะอันนี้เมื่อแยกย้ายกันกลับบ้านเก่าแล้วเราจะมีอะไรบ้างติดตัวไปบ้านเก่าของเราอันนี้ให้ถามตัวเองไว้อยู่เสมอไม่ถึงร้อยปีนะเดี๋ยวนี้เรามีเท่าไหร่ล่ะมันยากอยู่นนะที่จะทำนายไปข้างหน้ากี่ปีก็ไม่รู้ล่ะ เพอชั้นเสร็จเข้าไปอาจจะไปก็ได้ไม่มีใครรับรองชีวิตของคนเราเหมือนกับน้ําค้างใบบัวลมพัดมากับเอียงไปเอียงมาเอียงไปเอามากระตกจากใบบัวจอมเราก็จบ อ, อันนี้เหมือนกันชีวิตของเราเนยอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ความประมาทจนเกินไปนะพยายามสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากพยายามสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าเมื่อเราออกจาก ร่างของเราออกจากชาตินี้ไปแล้วพวกเราจะได้รับบุญกุศลส่งดวงวิญญาณของพวกเราไปเพราะหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ า, าตายแลย้วไม่สูญนะฟังเอาไว้นะปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นะถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาติเดียวท่านจะระลึกได้อย่างไงชาติผลหลังมีพระบารีรับรองไว้เลยพระพุทธเจ้าตัดรู้ที่โคนต้นโพนนั่งสมาธิ จิตใจเข้าสู่ความสงบเกิดยานัทนะปุเพในวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้หนะ้าถ้าว่าเกิดมาชาติเดียวแล้วจะเป็นระลึกได้ยังไงพระพุทธเจ้ามีกี่กี่ภพกี่ชาติอย่างพวกเราวันนี้มาจากไหนเมื่อวานเราอยู่ที่ไหนวันก่อนเราอยู่ที่ไหนอาทิตย์ก่อนเราอยู่ที่ไหนเดือนก่อนเราอยู่ที่ไหนปีก่อนเราอยู่ที่ไหนไล่ด้วยสอจนไล่จนหลงลืมเหมือนั้นเถอหลวงพ่อเนี่ยอยู่มาอยู่ที่นี่ได้วันนี้เย ไล่ดวยสิตั้งแต่วันเกิดมารู้เดียงสาภาวะอยู่ที่ไหนบ้างบางทีก็ลืมไปเสียเป็นส่วนใหญ่บางั้นเอระลึกระลึกได้เป็นส่วนน้อยแต่ญาณทัศนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ได้หมดทียิบเลยเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกถ้าพวกเราอยากจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเราเชื่อไปดีกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าท่านพูดตาดีไว้ก่อนถ้าเราเชื่อแล้วเนยเราจะพิสูจน์ด้วยตนเองเถนั่งภาวนานะนั่งภาวนาทําจิตให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพาธรรมนั่นเราจะรู้ได้โดยตนเองพระพุทธเจ้าสอนเออพระพุทธเจ้าพูดจริงจริงเราจะรู้ได้ด้วยตนเองในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอน บาป บ, บุญคุณโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราไปจับไฟรลสิมัร้อนทันทีนะเราะเราทำชั่วสิ่งชั่วก็เหมือนกันถ้าเราทำเข้าไปแล้วเดือดร้อนทันทีะถ้าเราทำดีล้วอยู่ที่ไหนก็ล่มเย็นเป็นสุขน ะ, อะตอนนี้ไปรับพรที่นะี่นะวันนี้ให้ข้อคิดแก่พวกเราทุกๆุทนที่เป็นพุทธบริษัทยะถาวาริวหาปูรา